พึงพากันตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชัญญะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้าไปถึงใจ สัมปัชญะความรู้ตัวรู้ตัวว่าเวลานี้ตนกำลังทำความสงบเราจะต้องหยุดคิดไปในทางอื่นเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งคิดอะไรต่ออะไรจีปาถะไม่ใช่อย่างนั้นนี่ ต้องรู้ตัวอย่างนี้รู้ความประสงค์ของตัวเองเมื่อตนเองมีความประสงค์อย่างไรก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองเรียกว่าสำปะชัญญะรู้ว่าตนเองยังมีกิเลสตัณหาอยู่ยังจำเป็นที่จะต้องชำระ กิเลสตัณหาเนี่ยให้มันน้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจนี่จนกว่ามันจะหมดสิ้นต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวอย่างนี้มันก็ไม่ขวนขวายมันก็ไม่คิดที่จะละกิเลสถ้าไม่เห็นโทษของกิเลสมันก็ไม่เบื่อไม่น่าย เพราะมันไม่รู้ตัวนั่นแหละมันถึงไม่เบื่อไม่นายต่อกิเลสตัณหาถ้ารู้ตัวว่าตัวนั้นยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอยู่ตนจึงต้องได้ทำกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วมันก็ติดตามมานำให้มาเกิดอีก เกิดมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับความไม่ยั่งยืนของโลกอันนี้ต้องได้มาสวยทุกข์สวยทุกข์ทรมานเออทำไมจึงว่าทรมานก็ท ร, รมานเนี่มันทุกคนนะ ก็ต้องอยากจะให้ชีวิตนี่มันเที่ยงมันยั่งยืนไม่ต้องการให้มันวิบัติแต่แล้วมันก็วิบัติมันห้ามไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ทุดโทมไปไม่อยากให้มันเจ็บป่วยไข้มันก็ไม่ฟังถึงเวลาเจ็บป่วยมันก็เจ็บป่วยลงไป ถึงเวลาตายมันก็ตายไปแต่ใครๆก็ไม่ชอบเลยเรื่องหมูนี้นะแต่ก็ต้องได้รับนี่แหละคำว่าทรมานนะนะแต่คนเราก็ไม่รู้ตัวหรอกส่วนมากนะไม่รู้ตัวว่าตนได้มาทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัตฏสงสารอันนี้ ที่ไม่รู้นั่นนะ่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะอาวิชชาตันหา <c oughs> มันครอบงำความรู้สึกอันนี้ไว้มันปิดบังไว้เลยมันมันไม่ให้น้อมจิตเครดคำนึงถึงเรื่องชีวิตดังกล่าวมานี่ เหตุนั่นมันถึงไม่เบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะตัณหามันย้อมใจตัณหามันย้อมใจให้ชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆในโลกนี้ตัณหามันย้อมใจ ให้มีความยินดีกับของไม่เที่ยงอวิชชาโมหะมันย้อมใจให้สำคัญผิดคิดว่าสวยว่างามว่าน่ารักน่าใคร่น่าเชยชมน่าสัมผัสถูกต้องนี่แหละอวิชชาตันหาอโมหะมันครอบงมจิตและมันทำให้ เกิดความเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงแล้วโรคเป็นต้นไม่มีอะไรสวยงามไม่มีสิ่งใดที่น่าชมเชยมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดทงก็ไม่น่ารักใคร่อะไร โดยอาศัยที่การประครบประงมอาบน้ำชำระขัดคลอยู่เสมอเสมอมันก็จึงพอเข้าใกล้กันได้บ้างถ้าไม่ปฏิบัติปนปื้อมันอยู่อย่างว่านี่แล้วไม่ไหวแล้วรูปร่างอันนี้นะ ม, มันจะส่งกลิ่นไปทั่วเลยนั่นเราทศพี่นาะให้ถึงความจริง อย่าไปปิดบังไว้เพราะคนส่วนมากมันปิดบังความจริงไว้ไม่ไม่อยากจะรู้ความจริงของร่างกายเพราะฉะนั้นมันจึงหลงง่วงอยู่ในสงสาร น, น, นี่ยังถือว่ากายเราของเราอยู่อย่างนี้มันก็ยึดถือและเมื่อมันสำคัญล้วของเราแล้ว ในปัจจัยการนั่นนะก็องค์แสดงว่าอุปทานเป็นปัจจัยมาเกิดพบอืมเหมือนกับว่าเมื่อจิตใจมันยึดขันห้ยในปัจจุบันนี้แล้วตายลงแล้วมันก็ให้ไปเกิดในโลกอื่นต่อไปอีกท่านเรียกว่าพอืมถ้าทําดีก็ไปเกิดพบที่ดี ถ้าทำชั่วก็ต้องไปเกิดพบที่ชั่วเช่นนรกอบายภูมิมเ่าเนั้นเป็นพบที่ชั่วเป็นสถานที่อยู่ของบุคคลผู้กระทำกรรมมันชั่วยอมได้รับทุกข์ทนทรมานพบที่ดี เป็นสถานที่อยู่ของมุคคลผู้มีบุญผู้ฝึกตนแต่เป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ว่าฝึกตนให้เป็นคนดีแต่ยังไม่ดี